เพราะตรัสรู้ชอบยิ่งซึ่งทำอันทองแท้ตามเป็นจริงเพราะทรงเห็นธทำอันทองแท้เพราะมีพระดารัสอันทองแท้เพราะทรงกระทําอย่างนั้นเพราะอัตถาว่าครอบงมสัตว์ทั้งปวงครับอันนี้คือตามพระตถาคตนะครับนี่คือความหมายส่วนตัวเองที่เข้าใจอยู่ทุกวันนี้ก็คือเข้าใจอยู่นะว่าท่าน เสด็จไปแล้วดีดีคือด้วยดีอย่างไรคือเป็นผู้ที่ไกลจากกิเลสนี่คือเข้าใจตัวเองเข้าใจแค่แค่นิดเดียวนะฮะเข้าใจนิดเดียวเท่านั้นเองแต่ไม่ได้เข้าใจหมดตามแปดข้อนี้คือไม่ได้ทรงจําอ่าอย่างนี้อันนี้คือคือความเข้าใจนะครับผมคําว่าตถาคตผู้เสด็จมาแล้วอย่างนั้นถามว่าท่านเสด็จมาแล้วอย่างไรว่าพระผู้มีพระภาคแต่ก่อนแต่ก่อนนั้นะ่ะ พระองค์นั้นเสด็จมาเพื่อประโยชน์เกือ้อกูลมาเพื่อสงเคราะห์อนุเคราะห์สรพรพสรัตว์ทั้งหลายโดยประการใดแม้พระผู้มีพระภาคเจ้าของเราก็เสด็จมาด้วยประการนั้นเหมือนกันพระพุทธเจ้าแต่ก่อนเนี่ยท่านบำเ พ, พ็ญอภินิหารอภินิหารจะถึงพร้อมด้วยองค์แปประการมีความเป็นมนุษย์เช่นใดพระพุทธเจ้าก็เสด็จมาแล้วเช่นนั้นเหมือนกัน พระพุทธเจ้าแต่ปางก่อนพระองค์ทรงบำเพ็ญบารมีสามสิบทัตมหาบริจาคทั้งห้ามาโดยประการใดแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงบำเพ็ญบารมีเป็นต้นมาเหมือนกับพระพุทธเจ้าเหล่านั้นนนั้นเหมือนกันพระพุทธเจ้าในอดีตพระพุทธเจ้าวิปสัสสีสิกีเวสภูกะกูสันโทโกนาขมันโอกาสปะนี่นะ พระองค์ประพฤติอย่างไรมาพระพุทธเจ้าก็ประพฤติมาเหมือนกันหมดเนี่ยเรียกว่าพระองค์เสด็จมาแล้วอย่างนั้นคือมาเพื่ออนุเคราะห์โลกมาด้วยอภินิหารมาด้วยการบำเพ็ญบุญบารมีจึงเป็นพระพุทธเจ้าฉันใดพระพุทธเจ้าของเราก็มาฉันนั้นนั่นแหละพระพุทธเจ้าคําวาตถาคตในที่สองก็คือพระพุทธเจ้าเสด็จไปแล้วอย่างนั้นพระพุทธเจ้าแต่ปางก่อน หลังจากที่พระองค์ประสูตรเนี่ยนะเป็นนิมิตแห่งการตรัสรู้ธรรมะต่างๆโดยประการใดพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยสมัยเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยพอประสูตรปั๊บก็เป็นนิมิตแห่งการที่จะตรัสรู้ธรรมฉันนั้นเหมือนกันพระพุทธเจ้าแต่ปางก่อนเนี่ยท่านละกิเลสแล้วบรรลมุมรรคผลโดยประการใดพระพุทธเจ้าของเราก็ละกิเลส แ, แล้วบรรลมุมรรคผลโดยประการนั้นเหมือนกัน พระพุทธเจ้าแต่ปางก่อนบำเพ็ญโพธิปัจจคยธรรมจึงบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณฉันใดพระพุทธเจ้าของเรานี้ก็เหมือนกันคือบำเพ็ญโพธิปัจจคยธรรมจึงบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนกันนี่คือความหมายของคําว่าตถาคตเสด็จไปอย่างนั้นและทรงรู้ลักษณะอย่างทองแท้ของธรรมะทั้งหลายลักษณะอันทองแท้ของขันธาตุอายตนะสัจจะอินทรีย์ปฏิจจสมุปบาท สติประฐานสี่สมมติประธาน 4, สาน 4, อิทธิบาทส 4, อิน 5, รี่ห้าพละหา้าโพชชงเจ็ดอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แแต่ละอย่างมีลักษณะอย่างไรพระองค์ทรงแทงตลอดลักษณะเหล่านั้นอย่างทองแท้แล้วพระองค์เนี่ยเข้าถึงการเห็นอริยสัจจะทำเป็นต้นอย่างทองแท้มีวาทะที่ทองแท้พระวาจาของพระองค์เป็นต้นไม่ผิดแม้แต่ปลายเข็ม เพราะฉะนั้นของเราเนี่ยถามว่าที่เราศึกษาพุทธคุณตั้งแต่ต้นมาเลยเนี่ยนะนับตั้งแต่สุเมศบัณดิตออกบวชสุเมศบัณดิตนี่ออกบวชจนถึงกับครั้งที่แล้วเรากล่าวถึงตอนไหนกล่าวถึงที่สุเมศบัณดิตนเนี่ยนะประมวลอภินิหารที่ประกอบด้วยองค์แปประการคือความเป็นมนุษย์เป็นต้นเนี่นะแล้วก็ได้สละชีวิตเพื่อ บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าอย่าให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะได้ได้เหยียบเปลือกตมเลยขอให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นเนี่ยนะกับภิกษุสงฆ์เนี่ยจงเหยียบตัวท่านเนี่ยแหละเป็นสพาท่านขออุทิศชีวิตอันนี้แด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วประมวลธรรมะแปดประการตั้งความปรารถนาะว่ า, าด้วยบุญญาธิการบารมีนี้ ที่เราบำเพ็ญในพระพุทธเจ้าผู้เป็นบุรุษสูงสุดเราบรรลุสัพพัญญุตยานแล้วจะยังหมูชนเป็นอันมากให้ข้ามสังสาระสาคลอาศัยบุญทั้งหมดที่ท่านประมวลอภินิหารแป่ประการแล้วท่านตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วกล่าวว่าเราตัดกระแสแห่งสังสาระกำจัดพสามได้แล้วขึ้นสู่ธรรมนาวาคืออริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดจักยังโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลก ให้ข้ามสังสารสาคร น, นี่คือความปรารถนาของท่านว่าว่าพระพุทธเจ้าแต่ปางก่อนแต่ปางก่อนแต่ปางก่อนเนี่ยทําแบบฟอร์มคล้ายๆกันมาอย่างไรพระพุทธเจ้าของเราทรงพระนาม ว, ว่าตถาคตเพราะมีการกระทํามาเหมือนกับพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆ อ, อย่างนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่างที่เรากําลังศึกษาพุทธคุณในช่วงนี้ก็คือศึกษาคําว่าตถาคตเสด็จมาแล้วอย่างนั้น การบำเพ็ญบารมีทั้งหมดที่เราจะกล่าวไปนั้นะเหมือนกับพระพุทธเจ้าแต่ปางก่อนปางก่อนองคทั้งหลายแต่ปางก่อนปางก่อนเหล่านั้นอย่างนั้นนั่นแหละเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไม่งั้น โ, โหเรามาศึกษานี่ศึกษาเหมือนกับอ่านประวัติใครสักคนหนึ่งเสร็จแล้วเออเอาไปคิดยังไงเอาไปตรึกอย่างไรมีข้อมูลเกี่ยวกับการเจริญพุทธคุณอย่างไรเป็นต้นซึ่งาบางท่านอาจจะสงสัยในลักษณะนั้นไป แต่ที่จริงแล้วการศึกษาในลักษณะนี้ทําให้เห็นพระคุณอย่างหนึ่งคือคําว่าตถาคตเพราะว่าถ้าผู้ที่มีความเข้าใจดีแล้วว่าการอุบัติตรัสรู้ของพระตถาคตเนี่ยเป็นของยากเพราะฉนั้นเขาฟังคําว่าตถาคตหรือฟังคําว่าพุทโธเนี่ยนะเขามีขนลุกชูทันเขามีความปราบปลื้มปีติโสมนัสอิ่มเ อ, อิบอย่างบอกไม่ถูกเพราะว่าผู้นี้แหละคือผู้ที่ตรัสรู้อริยสัจ ท่านเป็นผู้นำโลกพร้อมทั้งเทวโลกให้ข้ามจากสังสารทุกข์ได้เขาจึงมีศรัทธามีความเลื่อมใสมีความมั่นคงไม่หวั่นไหวในพระตถาคตเจ้าพระตถาคตผู้เสด็จมาแล้วอย่างนั้นคือมาเหมือนกับพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆเป็นต้นนั่นเองซึ่งครั้งที่แล้วเราก็ได้กล่าวถึงว่าพระตถาคตเจ้าเนี่ยนะในตอนที่ท่านเป็นสุเมศบัณฑิตท่านก็ตั้งความปรารถนาะ ท่านตั้งความปรารถนาต่อนหน้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วและก็พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ทรงพยากรณ์เขาว่าอีกสี่อสงไขยนับตั้งแต่วันนั้นมาเนี่ยท่านจะได้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแน่นอนซึ่งตอนนั้นเนี่ยพระโพธิสัตว์ก็นอนอยู่ในในเปลือกตอมะนะเพื่อที่จะให้พระพุทธเจ้ากับพระสาวกเป็นต้นนั่นเองเดินเหยียบข้ามไป อันนี้เราเปิดดูในหน้า28นะต่อจากครั้งที่แล้วในหน้า28นับลงประมาณ5บรรทัดหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงพยากรณ์เสร็จแล้วเนี่ยนะพระโพธิสัตว์ก็ทรงลุกขึ้นจากที่นอนในเวลาที่คนทั้งปวงหลีกไปแล้วคิดว่าเราจะตรวจตราดูบารมีทั้งหลาย คือก็มาคิดอยู่ว่านะว่าเออเราเนี่ยอย่างไรพระพุทธเจ้าก็ทํานายว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าอยู่แล้วไม่ใช่ว่าการเป็นพระพุทธเจ้านั่งรอนอนรอครอบสีอาสงไขแล้วจะได้บรรลุเป็นพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าแต่ธรรมะที่จะทําให้เป็นพระสัมมาสามัามพุทธเจ้าได้นั้นมีอยู่ธรรมะที่ทําให้เป็นพระพุทธเจ้าได้นั้นเรียกว่าพุทธการะธรรมหรือบา ร, รมีธรรมนั่นเองว่า ง, งั้น <segregated? S 2> <Software. S 1> เพราะฉะนั้นท่านก็เลยตรวจตราดูบารมีทั้งหลาย ดังนี้แล้วก็นั่งขัดสมาธิบนที่สุดของกองดอกไม้เมื่อพระโพธิสัตว์นั่งแล้วอย่างนี้เทวดาในหมื่นจั ก, กรวาลได้ให้สาธุการกล่าวว่าเทวดาในที่นี้ก็คือพรมชั้นสุดทาวาสเป็นต้นนั่นเองได้กล่าวว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าสุเมตดาบทในเวลาที่พระโพธิสัตว์เก่าก่อนทั้งหลายนั่งขัดสมาธิด้วยคิดว่าเราจะตรวจตราบารมีทั้งหลาย เชื่อว่าบุรพนิมิตเหล่าใดจะปรากฏบุรพนิมิตเหล่านั้นแม้ทั้งหมดปรากฏแจมแจ้งแล้วในวันนี้นิมิตของผู้ที่จะได้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเหมือนกับว่าโหยกลางคืนมันมืดมิดมานานอ่ะนะพอเห็นแสงเงินแสงทองเกิดขึ้นมาหน่อยๆน่อยนะรู้แล้วว่าดวงอาทิตย์ยังไงก็ขึ้นมาอย่างแน่นอนนะ เหล่าเทวดาทั้งหลายก็ดีใจเหมือนกับคนที่รู้ราตรีการมานานแล้วเนี่ยเห็นแสงเงินแสงทองหน่อยเขารู้แล้วว่าดวงอาทิตย์ต้องขึ้นว่าในเวลาที่พระโพธิสัตว์เก่าก่อนทั้งหลายนั่งคัศมาที่ด้วยคิดว่าเราจักตรวจตราบารมีทั้งหลายชื่อว่าบุรพานิมิตเหล่าใดจะปรากฏบุรพานิมิตเหล่านั้นแม้ทั้งหมดปรากฏแจมแจ้งแล้วในวันนี้ท่านจักเป็นพระพุทธเจ้าโดยไม่ต้องสงสัย พวกเราก็รู้ข้อนั้นเหมือนกับพวกพี่เรียนดาราพยากรณ์มานะมองดูลักษณะหน้าตาบอกทํานายได้เลยว่าคนนี้ต้องเป็นอย่างนี้บางนนคนที่เก่งๆเนี่ยนะได้ยินแต่เสียงพูดคําเดียวเฉยๆเนี่ยเขารู้เลยว่าคนนี้มีทรัพย์อย่างพระเจ้าพิมพ์พิสารเนี่ยนะได้ยินเสียงของเศรษฐีคนหนึ่งที่ปลอมตัวเป็นคนทุกข์คนยากเนี่ยนะอ่าพอเศรษฐีคนนี้พูดหนึ่งคำเท่านั้นเองพระราชารู้เลยว่าคนนี้มีเงิน แค่น้ำเสียงแค้เฉยเนี่ยบ่งบอกถึงว่ามีรับหรือไม่มีรับเป็นต้นนะคนที่เขามีความสา ม, มารถนี่เขารู้ได้ขนาดนั้นอันนี้เทวดาเหล่านี้ก็ลักษณะเดียวกันเพราะฉะนั้นท่านจะเป็นพระพุทธเจ้าโดยส่วนเดียวท่านจงประคองความเพียรของตนให้มั่นอย่างนี้แล้วก็กล่าวสรรเสริญพระโพธิสัตว์ด้วยคําสรรเสริญนานาประการคือเหล่าเทวดานี่ก็ยกย่องกังนะว่าเพราะคนนี้จะเป็นผู้นําโลกอีกต่อไปก็เลยเทวดาทั้งหลายใน เทวดาชั้นสุดทาวาสเป็นต้นก็ยกย่องสรรเสริญเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวเป็นคาถาประพันธ์ว่าคนและเทวดาได้ฟังคำนี้ของพระพุทธเจ้าผู้หาผู้เสมอมิได้ผู้ทรงสแสวงหาคุณใหญ่ต่างยินดีคือพระพุทธเจ้าทีปังกรเนี่ยนะได้พยากรณ์สุมเมธดาบทว่าจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกสี่อสงไขยข้างหน้าแมเรานี่โชคดีนะมาเกิดทันยุคนั้นพอดีเลยนะ นับนี่ น, นเรื่องนี้มาเกิดเมื่อสี่อสงไขยที่แล้วนะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะได้เกิดขึ้นมาในโลกเราเกิดมายุคก็ได้ศึกษาประวัติของท่านดาบทนี้เป็นพืชและเป็นหน่อของพระพุทธเจ้าพืชหน่อ น, นี่ก็คืออังบุระหน่อของพระพุทธเจ้าก็คือพุทธทางกูลเนี่ยนะเคยได้ยินนะคำว่าพุทธทางกูลพุทธทางกูลก็คือหน่อหน่อของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหน่ออย่างเอ๋ มะม่วงอะนะอย่างอัมพะอัมพางกูลี่หนอมะม่วงหนออะไรพวกนี้เป็นต้นแต่นี้ก็เป็นหนอของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหนอของผู้ที่จะตรัสรู้อริยสัจธรรมด้วยตัวเองแล้วก็ช่วยหรือขนสัตว์ให้ข้ามพ้นจากสังสารทุกด้วยเสียงโห่ร้องดังลั่นไปมนุษย์พร้อมทั้งเทวดาในหมื่นโลกธาตุต่างปรบมือหัวเราะร่าต่างประคองอัญชลีนมัสการถ้าพวกเราจักพลาดศาสนาของพระโลกกนาฐ ก็คือถ้าพลาดจากศาสนาพระพุทธเจ้าพระนามวัทีปังกรก็จะอยู่เฉพาะหน้าท่านผู้นี้ในการไกลในอนาคตเนี่ยยังเผื่ออีกนะถ้าเรือลำนี้เราข้ามไม่ได้ก็รอลำหน้านี่แหละวรางั้นจะมีมาจอดท่าอีกลำหนึ่งว่างั้นที่จะช่วยรื้อขนสัพพสัตให้พ้นจากสังสารทุกข์ของเราเนี่ยจะพลาดลำนี้อีกหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะรอลำพิธิอานอีกพลาดมาหลายลพลาดมาหลายลนะ ลำนี้ว่าเป็นเรืออา้าวเรือจะออกอยู่แล้วยังไม่รู้เลยว่าเรืออา้าวมีเรือด้วยเหรอยังไม่รู้เลยว่าเรือจะออกแล้วมนุษย์เมื่อจะข้ามฝั่งพลาดท่าที่ตั้งอยู่เฉพาะหน้าก็จะถือเอาท่าข้างใต้ข้ามแม่น้ำใหญ่ต่อไปได้ฉันใดพวกเราแม้ทั้งหมดก็ฉะนั้นเหมือนกันถ้าพลพระชินเจ้านี้ไปก็จักตั้งอยู่เฉพาะหน้าท่านผู้นี้ในการไกลในอนาคต พระพุทธเจ้านี้ทรงพระนามว่าทีปังกรผู้ทรงรู้แจ้งโลกผู้ทรงรับเครื่องบูชาทรงกำหนดกรรมของเราไว้แล้วจึงทรงยกพระบาทเบื้องขวาเสด็จไปพระสาวกผู้เป็นชินบุตรเหล่านั้นใดได้มีอยู่ในที่นั้นเหล่านั้นทั้งหมดได้ทําประทักษิณเราเราในที่นี้หมายถึงดาบทนั่นเองดาบ ท, ที่ที่นอนอยู่ที่เปลือบตมนะได้มีความคิดขึ้นว่า คนนาคนทันต่างก็กราบไหว้แล้วก็หลีกไปเมื่อพระโล ก, กนาถนายกพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ล่วงทัศนะวิสัยของเราไปแล้วคือเดินพ้นสายตาไปแล้วมีจิตยินดีร่าเริงเราจึงลุกขึ้นจากอาสนะในบัดนั้นพอได้รับพุทธภรรยกรคนทั้งหลายก็จากไปหมดก็ลุกขึ้นนั่งนั่งเหมือนนั่งคัดามาธิข้างหลังหรือเปล่าคล้ายๆแบบนี้เนาะครั้งนั้นนี้เราสบายใจด้วยความสุข โอ้ oh, ได้รับํานายมานะมีความสุขบันเทิงใจด้วยความปราโมทท่วมทนด้วยปีตินั่งคัศมาธิอยู่ทีนั้นเรานั่งคัศมาธิแล้วได้คิดอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ชำนาญในฌานถึงความเปี่ยมในอภิญยาแล้วในโลกตั้งพันวังั้นหรือสีที่เสมอกับเราไม่มีเราไม่มีใครเสมอในฤทธิธรรมจึงได้ความสุขเช่นนี้ ในการนั่งคัดสมาธิของเราไว้กั้นคือในบรรดาฤาษีทั้งหมดไม่ใช่คนในพระพุทธศาสนาเนี่ยดาบทคนนี้เลิศที่สุดเทวดามนุษย์ผู้อาศัยอยู่ในหมื่นจักรวาลต่างก็เปล่งเสียงบรรลือลั่นว่าท่านจกเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนนิมิตเหล่าใดปรากฏในการนั่งขัดสมาธิของพระโพ ธ, ธิสัตว์ในการก่อนนิมิตเหล่านั้นก็ปรากฏแล้วในวันนี้ความหนาวก็เหงดหายไปความร้อนก็ระงับเหล่านี้ก็ ปรากฏในวันนี้ท่านจากเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนอันนี้ก็คือบุคพลนิมิตแต่ละอย่างแต่ละอย่างที่เทวดาเอามากล่าวเพื่อให้เห็นว่าบุรุษคนนี้อีกสีอสงไขยจะได้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแน่นอนผู้ที่กล่าวเนี่ยนะเป็นพรหมชั้นสุทาวาสเป็นพรหมชั้นสุทาวาสนั้นพรหมชั้นสุทาวาสมีอยู่สองประเภทด้วยกันคือพระอนาคามีกับพระอรหันต์ท่านพอไปปฏิสนธิในพรหมชั้นสุทาวาสก็ปฏิบัติธรรมแล้วก็เป็นพระอรหันต์ ก็จะดำรงอยู่ในพรห ม, มโลกนั้น่ะจนปรินิพานคือพอไปอยู่เกิดไม่นานก็บรรุเป็นพผ้าฐานก็อยู่ไปเรื่อยไม่ใช่บรรุเป็นผ้าฐานแล้วนิพพานเลยก็อยู่ไปนอนเพราะฉะนั้นในพรห ม, มโลกเนี่ยมีพระารานนั่นะในพรห ม, มโลกชั้นสุดทาวาสมีพผ้านาคามีกับผ้าฐันอยู่ที่นั่นคือเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นพผ้านาคามีใช่ไหมผ้านาคามีก็มรณนะพอมรณะก็ไปเกิดในชั้นสุดทาวาสพอไปเกิดพักเดียวก็บรรุเป็นผ้าฐาน หรือไปเกิดในท่ามกลางอายุก็บรรลุเป็นพระอรหรันต์นะหรือปลายๆจะสิ้นอายุก็บรรลุเป็นพระอรหันต์หรือตายจากภพหนึ่งสู่ภพหนึ่งนะจากอวิหาอตัตปาสุทธสีอากาักกนิถาแล้วไปเป็นพระอรหันต์อยู่ที่ชั้นนั้นก็มีอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแต่ว่าทุกชั้นเนี่ยพระอรหันต์อยู่หมดเลยเพราะฉะนั้นในพรหมโลกตอนนี้ไม่ว่างเว้นจากพระอรหรันต์แล้วในที่นี้เนี่นะครับพรหมบุคคลผู้นี้เนี่ยเป็นพระอริยบุคคลหรือเปล่าครับที่ผู้ที่กล่าวเนี่ยครับ เป็นพรหมชั้นสุท้าวาดมากยังเป็นอย่างน้อยสุดก็เป็นพระระยบุคคลอย่างน้อยที่สุดเป็นพระนาคามีครับแล้วก็ต้องหมดจากครหมบุคคลนี้ทั้งหมดก่อนใช่ไหมครับจึงจะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นพอพระผู้มีพระภาคเจ้าองค์นี้ดับขันปริญนิพพานในโลกว่างจากผู้ศาสนาหนึ่งอสงไข่ซึ่งเราจะได้ศึกษา <S <S 2> <S 2> ในเชิงประวัติศาสตร์ของระบบโลกอีกครั้งหนึ่ง แต่ว่าตอนนี้เนี่ยในยุคนั้นเนี่ยมีพรหมชั้นสุททาวาสซึ่งบรรลุจากพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆเช่นพระพุทธเจ้าพนามว่าตันหังกรเมทางกรสารนังก ร, ร, งกรองค์นี้ชื่อว่าพระนามวัตีปังพรเป็นองค์ที่สี่ในกลับนั้นมีพระพุทธเจ้าตรัสรู้สีองค์อันนแล้วพระโพธิสัตว์ของเราได้รับพุทธภยากรจากพระผู้มีพระภาคองค์ที่สี่คือพระผู้มีพระภาคทรงพระนามวาัตีปังกรเพราะฉะนั้นก่อนหน้านั้นมีพรหมชั้นสุดทาวาสแล้วพรหมชั้นสุดทาวาสที่เกิดจาก ศาสนาของพระพุทธเจ้าตันหังกรสารนาังกรและมีทางกรแล้วก็ทักททยบุพนิมิตให้ฟังต่อไปอีกว่าโลกธาตุหมื่นหนึ่งก็ปราศจากเสียงไม่มีความยุ่งเหยิงเหล่านี้ก็ปรากฏในวันนี้ท่านจักเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนนี่ก็นิมิตอย่างหนึ่งเหมือนกันพายุใหญ่ก็ไม่พัดแม่น้ำลำคลองก็ไม่ไหลเหล่านี้ก็ปรากฏในวันนี้ท่านจักเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอน ขนาดน้ํายังไม่ไหลเลยนะขนาดที่นั่งจะสมทานบารมีเนี่ยนะน้ํายังไม่ไหลเลยนะอนุภาพแห่งบุญว่างั้นดอกไม้ทั้งหลายที่เกิดบนบกและเกิดในน้ําทั้งหมดต่างก็บานในทันใดดอกไม้เหล่านั้นทั้งหมดก็ผลิตผลในวันนี้รัตนะทั้งหลายที่ตั้งอยู่ในอากาศและตั้งอยู่ในบนพื้นดินต่างก็ส่องแสงในทันใดรัตนะแม้เหล่านั้นก็ส่องแสงในวันนี้ท่านจะเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอน นี้ก็ น, นิมิตอีกอย่างหนึ่งในการจะ บ, บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าอย่าคิดเราพรุ่งนี้นะอีกสีอส่อสงไข่นั่นนะนี่ถ้าใครมาทำนายเราว่าอีกแสนกับท่านจะได้บรรลุทำเอาไหมนานไปอ่ ะ, อะ ร, ร, ร, รีบแล้วล้นไม่ใช่กระทำว่าบรรลุอะไรยังไม่รู้เลยงี้แย่เลย ดนตรีทั้งของมนุษย์และเป็นของทิพย์ต่างบรรเลงขึ้นในทันใดแม้ kole. ทั้งสองอย่างนั้นก็ขับขานขึ้นในวันนี้ท่านจักเป็นพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอนทองฟ้ามีดอกไม้สวยงามก็ตกลงเป็นฝนในทันใดแม่เหล่านี้ก็ปรากฏในวันนี้ท่านจักเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนมหาสมุทรก็ม้วนตัวลงโลกธาตุหมื่นหนึ่งก็วันไหวแม้ทั้งสองอย่างนั้นก็ดังลั่นไปในวันนี้ท่านจักเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอน อาทิตย์ก็ปราศจากเมฆหมอกดาวทั้งปวงก็มองเห็นได้แม้เหล่านั้นก็ปรากฏในวันนี้ท่านจะเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนน้ำพุ่งประทุ ข, ขึ้นจากแผ่นดินโดยที่ฝนไม่ได้ตกเลยวันนี้น้ำก็พุ่งประทุ ข, ขึ้นในทันใดนั้นท่านจะเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนหมู่ดาวก็สว่างสวัยดาวฤกษ์ก็สว่างสวัยในท้องฟ้าพระจันทร์ประกอบด้วยวิสาขฤกษ์ท่านจากเป็นพระพุทธเจ้า แน่นอนสัตว์ที่อาศัยอยู่ในโพรงอาศัยอยู่ในซอกเขาต่างก็ออกมาจากที่อยู่ของตนวันนี้แม้สัตว์เหล่านั้นก็ทิ้งที่อยู่อาศัยท่านจักเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนความไม่ยินดีไม่มีแก่สัตว์ทั้งหลายเขาต่างถือสันโดษในวันนี้สัตว์แม้เหล่านั้นทั้งหมดก็ถือสันโดษท่านจักเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอน คราวนั้นโรคทั้งหลายก็สงบ ร, ระงับและความหิวก็พินาศไปวันนี้ก็ปรากฏท่านจากเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนคราวนั้นราค่าก็เบาบางโทสะโมหะก็พินาศกิเลสเหล่านั้นทั้งปวงก็ปราศจากไปท่านจากเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนคราวนั้นภัยก็ไม่มีแม้วันนี้ข้อนั้นก็ปรากฏพวกเรารู้ได้ด้วยนิมิตนั้นท่านจากเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอน ทุลีไม่ฟุ้งขึ้นเบื้องบนแม้วันนี้ข้อนั้นก็ปรากฏพวกเรารู้ได้ด้วยนิมิตนั้นท่านจากเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนกลิ่นที่ไม่เพิงปรารถนาก็ถอยห่างไปมีแต่กลิ่นที่ฟุ้งไปทั่ววันนี้แม้กลิ่นก็ฟุ้งอยู่ท่านจากเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนเหล่าเทวดาทั้งสิ้นเวนอรูปประพรมก็ปรากฏวันนี้เทวดาแม้เหล่านั้นทั้งหมดก็มองเห็นได้ท่านจากเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอน ขึ้นเชื่อว่านรกมีเพียงใดทั้งหมดนั้นก็เห็นได้ในทันใดแม้วันนี้ก็ปรากฏทั้งหมดท่านจักเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนใม่อยากเห็นนรกไปอยู่วันนั้นได้เห็นเลยไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเนาะก็เหมือนกับเขาเปิดให้ไปเยี่ยมคุกนั่นแหละน่าเยี่ยมที่ไหนนะเพียงแต่ให้รู้ว่าเอออบายมีนะคราวนั้นฝาผนังบานประตูแผ่นหินไม่มีเครื่องกีดขวางได้แม้สิ่งเหล่านั้นวันนี้ก็กลายเป็นที่ว่างหมด ท่านจกเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนการจุติและอุบัติไม่มีในขณะนั้นขณะนั้นไม่มีสัตว์จุติเลยนะไม่มีสัตว์ปฏิสนธิซึ่งที่จริงแล้วตรงนี้นะที่จริงขณะเวลานี้เนี่ยนะสัตว์จุติปฏิสนธิมากมายมหาศาลนะแต่ตรงที่พระโพธิสัตว์นั่งจะตารบบารมีอ่ะขณะนั้นไม่มีสัตว์จุติปฏิสนธิมันว่างไปวับหนึ่งอ่ะโอ้ดีขนาดนั้นนะขณะนั้นไม่มีการเกิดและการตายแต่ที่จริงขณะนี้นะเราหายใจหนึ่งหายใจเนี่ยนะสัตว์ไม่รู้ตายเท่าไหร่แล้วเกิดไม่รู้เท่าไหร่ แต่ว่าในโลกธาตุในขณะนั้นเนี่ยไม่มีสัตว์ตายเกิดเลยโอ้ดีนะวันนี้นิมิตเหล่านั้นก็ปรากฏท่านจะเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนท่านจงประคองความเพียรให้มั่นยาได้ถอยกลับจงก้าวหน้าไปแม้พวกเราก็รู้ข้อนั้นท่านจะเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนดังนี้ก็คือเป็นนิมิตเพราะว่าท่านนี้ประชุมอภินิหารจะสําเร็จได้ก็เพราะประชมธรรมะแปดประการใช่ไหมมีความเป็นมนุษย์เป็นบุรุษเพศ เป็นนักบวชแล้วก็มีอภินยาได้มีเหตุที่จะเป็นเหตุให้เป็นพระอรหันต์ได้สละชีวิตแล้วก็มีใจมั่นคงที่จะที่จะปรารถนาในการบำเพ็ญพระสัมมาสัมพธิยานแล้วก็ลุกขึ้นนั่งส ม, มาธิเพื่อตรวจตราดูบารมีเพื่อที่จะบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่างั้นเถอะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นนิมิตที่จะทำให้รู้ว่าคนนี้อีกสี่อสงไขยแสนกับอย่างไรก็เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแน่นอน พระโพธิสัตว์นี้ได้ฟังพระดำรัสของพระทศพลทีปังกรและถ้อยคำของเทวดาในหมื่นจกักรวาลเกิดความอุตสาหะโดยประมาณยิ่งขึ้นจนคิดว่านื้อขึ้นต่อไปว่าธรรมดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายมีพระดำรัสไม่ว่างเปล่าถ้อยคาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่มีเป็นอย่างอื่นเหมือนอย่างว่าดูที่ว่าความแน่นอนของพุทธพจน์นะวาจาของพระพุทธเจ้าแน่นอนแบบนี้ว่าหนึ่ง ก้อนดินที่คว้างไปในอากาศจะต้องตกสัตว์ที่เกิดแล้วจะต้องตายเมื่ออารุณ์ขึ้นพระอาทิตย์ก็ต้องขึ้นราชสีที่ออกจากค่ำที่อาศัยก็ต้องบรรลือศีหนาทหญิงที่คันแก่จะต้องปลดเปืืองภาระคือการคลอดเป็นของแน่นอนจะต้องมีเป็นแน่แท้ฉันใดธรรมดาพระพุทธดัมรัสพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมเป็นของแน่นอนไม่ว่างเปล่าฉันนั้น เราจะเป็นพระพุทธเจ้าแน่เนี่ยเนี่ยปราลบตัวเองบอกโอ้ได้เป็นแน่นอนนะคงมีความสุขนะยิ้มแป้เลยนะอ่าเราจะได้เป็นพระพุทธเจ้าเอาหรือเปล่ายอมท่านเขาว่างงไหม <c oughs> เอาตัวรอดอ่ะไม่คิดจะขนสารไม่คิดจะขนสารเลยเลยตัวเองก็เลยไม่ได้ขนเลยนะนี่ก็ไม่ได้ตั้งความปรารถนาไว้ <c oughs> พันธ์ท่านก็เลยกล่าวเป็นคาถาประพันธ์ว่า เราฟังพระดำรัสของพระพุทธเจ้าและของเทวดาในหมื่นจักรวาลทั้งสองฝ่ายแล้วมีความร่าเริงยินดีเกิดปราโมทจึงคิดขึ้นอย่างนี้ในคราวนั้นว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้เป็นพระชินเจ้าไม่มีพระดำรัสเป็นสองมีพระดำรัสไม่ว่างเปล่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่มีพระดำรัสไม่จริงเราจะเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอน ก้อนดินที่คว้างไปในท้องฟ้าย่อมตกบนพื้นดินแน่นอนฉันใดพระดำรัสของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมแน่นอนและเที่ยงตรงแม้ฉันใดพระดำรัสของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมแน่นอนและเที่ยงตรง เมื่อถึงเวลาราตรีสิ้นพระอาทิตย์ก็ขึ้นแน่นอนฉันใดพระดํารัสของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐก็ฉนั้นเหมือนกันย่อมแน่นอนและเที่ยงตรงราชสีที่ลุกขึ้นจากที่นอนจะต้องบรรลือศีนาะแน่นอนฉันใดพระดํารัสของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐก็ฉนั้นเหมือนกันย่อมแน่นอนและเที่ยงตรง สัตว์ผู้มีคันจะต้องเปลื้องภาระคือหญิงมีคันจะต้องคลอดฉันใดพระดำรัสของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมแน่นอนและเที่ยงตรงดังนี้นะสำทับอีกครั้งหนึ่งว่าเออผู้ที่ทำนายเรานี่มั่นคงขนาดนี้นะไม่ใช่ว่าคนหล่ะแหละมาทักเรานะว่าแกจะได้เป็นใหญ่เป็นโตอย่างงี้นะโหเอาคนที่เอาคนโง่มาชมเราว่าเราฉลาดอย่างเงี้ยเอาม ปัญญาอ่อนปั๊มปัป๊มเปอรเปอมาโอ้ยคุณนี่เก่งจริงๆพ่ออัจฉริยะบุรุษอย่างเงี้ยตายเลยนะ <c oughs> เอาเป็นประมาณได้ที่ไหนอย่างเงี้ยแต่นี้เขาเทียบเออบัณฑิตนะพระพุทธเจ้านะยกย่องอย่างเงี้ยอพรสิ่งที่เขาทําเนี่ยแน่นอนเห่างนั้นเถอะอันนี้นี่พระโพธิสัตว์ท่านคิดแบบนี้สุเมตดาบทนั้นทําการตกลงใจยอย่างนี้ว่าเราจะเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนเพื่อที่จะไข้ครวญถึงธรรมะที่กระทําให้เป็นพระพุทธเจ้า เมื่อตรวจตราดูธรรมธาตุทั้งสิ้นโดยลําดับต้องตรวจดูก่อนใช่ไหมตรวจดูว่าธรรมะอะไรที่จะทําให้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ก็ตรวจตามลําดับว่าธรรมะที่กระทําให้เป็นพระพุทธเจ้ามีอยู่ณที่ไหนหนอเบื้องสูงสหรือเบื้องต่ําในทิศใหญ่หรือทิศน้อยธรรมะที่จะทําให้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยตั้งอยู่ที่ไหนรู้ไหมธรรมะที่จะทําให้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยตั้งอยู่ที่ไหน ที่ไหนเนียเออบารมีสามสิบอยู่ที่ไหนโอสาทุกเก่งมากทำที่ทําให้เป็นพระพุทธเจ้าก็ตั้งอยู่ที่ใจนั่นแหละแต่ใจที่จะคิดอย่างไรจึงจะบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าล่ะใจชนิดนั้นต้องเป็นใจที่หนึ่งฐานบารมีเป็นข้อที่หนึ่งใจที่คิดจะให้อ่ะชั้นแรกชั้นต้นที่สุดต้องใจที่คิดจะให้ว่า ก็เห็นว่าทานบารมีข้อที่หนึ่งที่พระโพธิสัตว์แต่เก่าก่อนทั้งหลายถือปฏิบัติเป็นประจําพระโพธิสัตว์ทุกองค์ที่เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องให้ทานก่อนนหะจึงสอนตนอย่างนี้ว่าเนี่ยนะมาดูว่าแม้เขาทําบุญเนี่ยเขาสมาทานเอานะมาใ่ว่าอยู่ๆโอ้ยได้ปัจจัยเลยทําบุญเลยอย่างเงี้ยอันนี้ยากกว่าจะได้ปัจจัยแต่เขาสมาทานก่นสมาทานที่จะทําบุญนะตั้งใจไว้ก่อนนะนะ ว่าดูก่อนสุเมตบัณดิตจำเดิมแต่นี้ไปท่านพึงบำเพ็ญทานบารมีข้อแรกให้เต็มเหมือนอย่างว่าอุปมากันหม้อน้ำที่คว่ำแล้วย่อมคายน้ำออกไม่เหลือไม่นำกลับเข้าไปอีกฉันใดแม้ท่านเมื่อไม่เหลียวแลทรัพยศบุตรภรรยาหรืออวัยวะน้อยใหญ่ ให้สิ่งที่เขาต้องการอยากได้ทั้งหมดแก่ผู้ขอที่มาถึงกระทํามิให้มีส่วนเหลือจักได้นั่งที่โคนต้นโพเป็นพระพุทธเจ้าได้ดังนี้ต้องให้ไม่เหลือเลยนะให้ทุกอย่างเนี่ยไล่ตั้งแต่ข้าวของข้างนอกมาก่อนมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับภายในเนี่ยนะไล่มาจนถึงอวัยวะจนถึงกับชีวิตสละให้ได้หมดเลยนะจึงจะได้นั่งที่โคนต้นโพจึงจะได้นั่งที่ต้นพระศรีมหาโพ่ะ ผู้ใดที่ได้ไปกราบไปไหว้ตรงนั้นก็ได้บุญเนาะอย่างน้อยที่สุดก็จักครูวิญญาณได้เห็นเนี่ยจกักขูวิญญาณเป็นผลของบุญเก่าชาวนะก็เลยทําบุญใหม่เลยเคารพในอัปาราชิตตบัลลังที่พระพุทธเจ้าทรงชนะมูมานแล้วก็อาศัยที่ตรงนั้นทําให้สรรพสัตว์ทั้งหลายได้ข้ามพ้นจากวัตถุทุกมากมายเป็นอนเนกโดยอาศัยอาสนอันนั้ น, นที่โคนต้นโพตรงนั้นนี่ไม่ใช่ธรรมดาพฟังกันท่านได้อธิษฐานฐานบา ร, รมีข้อแรกทําให้มั่นแล้ว ทั้งหมดนี้ท่านกล่าวเป็นจุนิยะแต่ในพระพุทธพจน์ในคำภีพุทธวงศ์ที่พระองค์ทรงเล่าให้ภาษารีุตรฟังนั้นพระองค์กล่าวเป็นคาถาคาถาก็คือตัวดำๆนั่นเองว่าเอาเถอะเราจะเลือกเฟ้นธรรมะที่กระทำให้เป็นพระพุทธเจ้าทางโน้นและทางนี้ทั้งเบื้องสูงเบื้องต่ำตลอดทิศสิบทิศ ต, ตราบเท่าถึงธรรมธาตุนี้ทั้งภายในทั้งภายนอกหมดแหะ ครั้งนั้นเมื่อเราเลือกเฟ้นอยู่จึงได้เห็นฐานะบารมีที่เป็นทางใหญ่เป็นข้อแรกทางที่จะทำให้เป็นพระพุทธเจ้าทางข้อแรกที่ใหญ่มากก็คือทานที่ท่านผู้แสวงหาคุณใหญ่แต่เก่าก่อนประพฤติสืบกันมาแล้ว